โลกนี้อมพอมาโลกคขามีส่วนผสมน้อยแ่างถึงแมโยมเขามาคุมคำเขามีส่วนผสมมากนายเช่นเดียวกัน ทีนพุ่มต้นพุ่มออกเป็นหยาบเป็นเต็มเวลาออตากขวดก็พุ่งไปข้างงานทั้งเยอะความความมีสิ่งเรืยกแสงที่เกี่ยวเป็นอะไรมากงามการปฏิบัติง่ายการที่เกีดก็ง่าย แล้วยังอื่นที่เป็เื่องกระกรอนก็ง่ายเพราะไม่มีมากอากาศกลางวันนี่ตัวเพนานนานานๆาก็ต้องมีเื่องเรื่แสงขี้นมาเรือและเรื่องเรื่องแสงเลยนั่งคจกลายเป็นความจางเตินขึ้นมามาปิดบังความจริงที่เป็นจะมองไม่เห็น กสิ ท, ทาทั้ทงทางคำมั่งบังคับใช้ตรงตัวมุกบงัผมผมมกบงคับเบียรเราจะเห็นได้ในพิธีการต่างๆที่เกิดจากศาสนาเป็นหน้าเป็นตาแผนธรมเนียพิธีต่างๆเกี่วกับารจึงของตอบสงหาโดยแท้ นั้นมีน้อยมากทีนี้ผู้จะสังเกิดเอาความจริงนั้นก็ทังเกิดได้ยากนักมามองดูสิ่งผีเผยที่อยู่หน้าร้านหรืออยู่หน้าร้านนั้นนักประยุกต์เอาสิ่งที่อยู่หน้าร้านนั้นไปที่อยู่หลังร้านทั้งคันทั้งคันก็ไม่เหมือนถ้าจะกล่องก็เป็นหน้าร้านสิ่งของหน้าร้านสือสิี่พาหน้าร้าน ต่อมาจะกลายเป็นหลังล่างไปถึงการแปงเท่าไรมันก็มาอยู่ที่หน้าล่างพอม่ถึงก็ไปถึงแต่ก็ที่หน้าร้างนี่คือหนึ่งสารนักธรรมสอนท่านก็ระสอนมียนเข้ามาถึงตัวของเราแต่ข้อยางยืมได้ใจ คนนี้ต้องไปกินเพื่อแส้คิดออกมาในขณะใดเรื่องใดนี่ตป็นเรื่องเครื่อแส้ทั้งนั้นเรื่องความจริงไม่ค่ยจะมีคือที่จะยึดคือที่จะปิบัตแต่แก้ไขว่าอะไรผิดอะนรผจริง้ทั้งเกิดไม่เคยออกทั้งมีแต่การปลอมๆั้งหมสิ่่หน้าร้านนั้นเองเพื่ออาจเขออก ่อนแล้วตะพิโนวาเขาอยู่ที่ปากคอกเราเปิดประตูไม่เขาอ อ, ออกก่อนถึงจอมจอมอกกระเด้งเงี้ยไล่ก่อนเนาะท้องจริงยังไม่ไ้ออกและติดค้างตะพิโนวารอมจอมเต็มไปหมดท้องจริงเลยกระดุกกระดุกไม่ได้คือหาทางออกไม่ได้ยึดแต่คิดเรื่องของที่เหลืติปัญญาิค้างทางที่เลือ ลายลมืที่เหลือะไปใ้เคร่มอื่อมที่ดีที่อไป้เคมาะรติตัญญาที่เป็นอัเป็นคำอยู่มาแพร่ขายกองคามหลัความจินจุพกข์ทุกข์เป็นขงเลยก็ดูปดิษฐ์ตัวไม่ขึ้นทีอมีมากมากมีผู้ปฏิบัติจริงลำบาก มีนักศึกษ า, าี่ดปัญหาจริงลำบากแลวอะไรเป็นปัญหาแคะอะไรนี่ครับมันมีตั้ต่เรืเ่อเครื่งแสงไปหมดในปัญหาแม้ก็เพียงอยู่ตามบ้านตามเรียนทั้งคนแม้ต่อยู่ในวัดก็ยังเกี่ยงไปรืป่อยของนี้ของริ่งนี้ก็ปากฏนักเรียนลำบากที่จะยึดติดมันความรู้ว่าต่าง มันก็เป็นเรื่องโลกไปทาให้ลืมตัวอั่งนี้มันก็เกลืรรร่อนอยู่ภายในวัดในศาลไม่อยที่ไหนแล้วมันเกลื่อนอยู่ในบุคคลอีกบุคคลในวัดในวัดวัดไหนก็ตามถ้าเป็นนั่นก็เดียวกันมันเกื่อนขึ้นเดียวครับในวัดวัดป่าวัดบ้านว่าพระป่าพระบ้านพระอะไรถ้ามันเกนลื่อนไปเรืของ ดรวอกกลุงหลังจากับศาสนาอย่างนั้นมันก็เรียกว่ามันตลอมไปด้วยหมือเายกตัวอย่างเช่นพิจิตร์คาร์ลาังพูดไม่ได้ถ้าอย่นงไรถ้าใครว่ามีใส่สายส่ไทยหวายอยากให้ดีดีดีต้เงหุนเป็นทู่ครงสีสงคม เรื่องน่้ก็เกิดก็มีขึ้นมาตามถึงอย่างนี้ก็ตามถึงขที่สองก็เป็นความสัตย์สิยของผู้นั่นเองเรื่องเป็ไปจนเกิดได้ั้นแรกจะแสดงหาอะไรนั่นก็จากดอนันขึ้นมาถึงนั่นก็รู้อย่าขึ่นมาหากความตั้งใจในสิ่งใดถึงนั่นก็อักเส แล้วครับ้าพธิสัตความหลับความจริงของภาพยนตา์ก็เป็นสงทอนจิตใจก็อากเขาเข้าหมองไม่มีคําเกี่ยวกันอยู่ภางนนั้นเลยมีแต่เรื่องความเหลกอังหาอะไรเพิ่มตรหมดในวงปัดต่างในวงผู้ปัจิตหัในวงพระดวงเลในวงพุทธอดัตให้เป็นไปด้วยสิงจางๆสิ่เกแสง ทนี่เราจะกำหนึ่งผู้ใดถ้ากหนไม่ได้ถ้าต่างคนก็เป็นกันอย่างนั้นเนื่องจากมนนาไม่สนใจไม่รู้แม้แต่ผู้แสดงเวลานี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นตัวข้าราชการเลยจะเป็นเ่อนเดียวคนเีพวกเราทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายเุ็นทั้งหลายนยั่นเองเราเป็นความเป็นจงความทั้งเจ็นอกความจริงความเครื่องแสงมันมีหรือไม่มันมีมากน้อยเกียงใด ความจริงอย่างไรนี่เราพอที่จะเทียบพอที่จะเนเปลี่ยนได้จากหลักทาที่จะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและดําเนินมาตั้งแต่ตั้งคุตตารมาถึงสมัยปัจจ mm ุบันมีความเปลี่ยนแปลงขอการที่ปฏิบัติเพื่อกาีเจริญสติความมุ่งมั่นความตั้งอกตั้งใจนี้มีแตกต่างกันอย่างไรบ้างนี่เราพอเทียบเทียบกันได้ก็มีหลักมีเกณฑ์มีกําลังงานแล้ว เมื่เราไม่พาบในทางไปดูทักษิณสตาลงณะธนาก็มีที้แยงแบบเมื่อทั้งหลายขอประทัดบ้างช่จะคุยกันแต่ไม่มีความสํานโหลดข้างอความนักน้อยก็อย่างยิ่งไม่เว้นัต่ครั้อันนี้ก็เป็นธรรมแบบหน้าอ่อนตาในขั้งคุยกรนไปแดงสั้นเรือพรตากขาชิดกับกันชันเรือพรตากขาเจอว่า คำพูดที่เป็นไปกับเรื่องการแฝดที่ดุจอาชีพที่เป็นเครื่องสำนักที่ดุจอาชีันเลยครับาว า, าคำเป็นเครื่องเป็นเครื่องเกเป็นอัศจิตย า, ษาเป็นผู้มากน้อยเอามามากน้อยสาหลับข้านัาน่าด่าไม่ค่แต่สาหรับข้าว่านี้นี่สื่อ่างมาก่จะเข้าใจกันค่อนข้างที่จว่า ก็เป็ น, กกนปทุกคนจะปฏิบัติในความผ่อนนี้มีอยู่เป็นธรรมจาเป็นต้องบอกทว่าได้เส้นเดียวกันใ น, นแขนงที่จาเป็นหรือในส่วนที่จําเป็นเพราะว่ามากน้อยจะมีมา ก, ม, ม, ากมีน้อยเทาไรกอตามที่ศรัทธายาเดืองก็นามาถลายแต่ต้องการเพียงน้อยแท่าไ้นให้เป็นเส้นทางเดืองปลอดเชิงให้เป็นเสถียที่เดืองส่งเสริมที่เดี แสดงคำโบ้มคำโนมเลยมากที่สุดขึ้จากหลักธรรมของผู้แก้ที่เหลือยกขิจาการคู่ปฏิบัตนนิเพื่อความตกที่เหลือเนื้ออภิปการคือความมัดน้อยมักน้อยทุกสิ่ที่อย่างที่อยู่ที่อาศัยดใจพปลียนแปลงต่างๆที่เป็นเครื่องอาศัยมีความมักน้อยฉาะนั้นเพื่อความมักน้อยในอารมณ์เป็นเครื่องต่อเปลี่นจิตใจพันโดคือความ จินดีตามมีตามมากมีมากมีน้อยน้อยตามเกิดตามมีมีขยับขึ้นมาเป็นกลางกลางคือไม่เด็กเกี่ยเปภาคเพื่อคนไทยเป็นแบบู้ปฏิบัติมีหนาที่แหกพระอาศังจักรนิกายสอนไม่ทุกปีน้อหว่างสัมปกิสุตัน ไม่คู่ดีดีแต่ไมดุนไม่ดุ่นเนือแสงกับยุ่งกาไม่ดีดุ่นยุทธะ้ซึ่งไม่กําไปวิเรตตาก็ให้อยู่ในที่สงบสงะปราศจากสิ่งรบกวนทางลูกทางเสียงทางสิ่งท้งเนรื่องท้งตัดต่างซึ่งเป็นทางปฏิปันวิญญาลํงาสอนให้ประสาทความภาเพียงในญยบททั้งสี่ให้เป็นไปด้วยความภาคเพียง อันเป็นไปเราความแเงร่งที่เร็วตัวถ่ายดีย้อนเสือตลาดท่านั้นหรือเป็นความมเป็นพลัมงานความติดเมืองโกลด์แม่เครื่องขัดจัดกทบระวันหยักที่ทรงสข็งแกร่งเลยเลยสมาธิแสดงถึงความสงบความนุ่มเย็นสข็งแกรแสดงถึงความมั่นคงแข็งแกร่มันเป็นหน้าแส็งทั้งคำที่จะเป็นตัวเด้งนี้เป็นเครื่อง สูนทัติปัญญามีลาทุดพ้นเกิดขึ้นเฉลยฉลาดความจาบความต้องการยุมุมด่ดผีเมื่อสมาธิเมื่อปัญญามีความสามารถเก่งกาจนะความดุดต้นก็ต้องเกิดขึ้นในสถานที่นะในมุตดสียาทัศนะความยึดแย้งทัน์ในความดยุดต้นทของตนเขาเรียกปรากฏขึ้นในขนาดเดียวกันมีเรียกว่าสังเวยสัสธรร การจากาาาเลือดรจากความพิลึกมีเป็นหลักความที่จะไม่ต้งพูดการท่านพัดมือทนไมเป็นร่ำเป็นฝันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นพระกิติทาอย่างแท้จริง น, นี่ายละเอียกว่าความของจิง น, นี่ทำของกลอุก็แยกจากนั้นไปโกงเัินข้ามตรงเงินข้ามเรื่อไปหมดเวลานี้มันมีแต่ทำโกงเงานข้ามัำไมปรึกษาตาให้มีความมากน้อยแล้วเราดูที่ตุกวันนี้เป็นยังไง นากน้อยไห ม, ม, มนี่ทำาครงข้ามหุ่นแบบมันไม่มีแค่จะพูดว่ามันไม่มีจะถูกก็ล้วนักปิดตามันเป็นนักอิจฉากลายเ็นความากมากว่าอไรไม่มีเงิองพอป็นต่างสขนงผลผลิไม่มีเงินพอนั้นเองสังโดดคอความมีดีคามมีอำนากแต่ความเกาะแสวงมันก็มีขึ้นมางเพีย ไม่ใช่เป็นความสันโดษ้าลงสง่งแสองความต้องการมีอยู่แล้วและแสดงปียะมาในทางตากระต่างทางวายตากระต่งตาตงและแสดงมาทง 10, างกิตโดยเฉพาะไม่ใช่ขังจิตหรือิตวิญญาณดีการที่สิ่งที่เกิดที่มีที่มาด้วยทามขอบต่างถ้าสองพระันิกาว่าไม่พุทีไม่พุกทีอะไรมันรุ่งกันอยู่ตลอดเวลาถนะ้าสายหาย่อนไม่ได นั wollen, ่งที่ไหนคุยกันเป็นเรื่องลวกเรื่องฉุนฉานไม่มีคุยเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องของของยืดอักระด้างเด็กจะไม่แสงยังจะไม่ตอมได้ยังไงเราเห็นไม่อย่างชัดๆที่เราไม่รู้ตามทางทางด้านจิตใจเราตามจะก็มีข้อเทียบเทียงในหลักปฏิบัติที่ท่านเป็นสอนมาโยเงินเดืมาตั้งแต่ครังทิ่ต่ามๆที่เรีกตามันเรียกที่ไหนที่ไหนเป็นที่เรียก มีภายบ้างที่จะคิดตกาะเสือหาที่เล็กสงบเพื่ความจัดที่เหลือเอาเพราซึ่งเป็นช่วหมุนอยู่ภายในและเกาะควรตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการกระทนที่ร่วมเวลาไทยเหล่านี้ไม่นไม่ได้เห็นมันค่อนข้างจะม น, นเป็นไทยอยูิต น, นจิตใจของตัวอืน่นแต่ก็เข้าใจว่าไทยอันนี้เป็นตนเป็นท้องตมเป็นเราเป็นทั้งหราเป็นสิ่งที่จะสัง่งตนให้มาถึงโดยมือ มีความประหลัดตกใจว่าสิ่งนี้เป็นไทยตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้บ้างเลยพิญญาลัมพามเคลียนในทางไหนอื่มันโกงกข้างกันทั้งนั้นวิญญาลัมพาก็เคลียนถอดถอนที่เลดโดยลําดับมันจะออกเกิดขึ้นมาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเรื่องทางผัหรือทำมารมณ์ที่ขึ้นภายในใจซึ่งเป็นที่เลดด้วยแล้วต้องพยายามแก้ไข ดับแปลงีรขอขอดด้วยสิปัญญาตถาคัญเพียงไปโดยสนหับเสมอเล่นแต่หนัเท่า น, นั้นวิญญาณผิงกันไม่ทราบมนมีหรือไม่มีธรรมะที่เป็นยังไงได้ยิกนกดถืออ่านตำลักตำนาอ่านพค่เป็นแล้วมีน้ำลายที่ห้องบนมันติดตากติดใจก็พอไอชื่ อ, อง สมาธิ link, มัอยู่ที่ของศีลตัวเองแต่ตัวสมาธิองค์ของศีลหรือองค์สมาธิไม่เคยปรากฏภารในจิตใจนั่นเลยปัญญาที่เป็นเรื่องขอถอนที่เหลือนั่นก็มีแต่ปัญญาความที่จะสังเกตตวอยู่ขึ้นมาซึ้นคารหลักนักปราชญ์ขณะควาเข่าแนั้นไม่มีอย่างนี้ไมุดความบุคพ้นมันหลุดค้นที่ตรงไหนได้เมื่อทางเดินไม่มีจุดที่หมายจะถึงหน้าอย่างไร ในตรงกันข้ามตรงข้ามเห็นก็คาดหยา้ในสมัยพุทธกรารกับสมัยปฏิบัติไม่ว่าเราว่าภาพมักจะเดินตรงข้ามตรงข้ามตั้ ง, งหลักความจริงทั้งหมดเพาะจะนั่นศาสนาจึงมีสิ่งที่กปล่ยแปลงมากมายตั้งแต่ ก, ก, ก่อนในถ้าลูมาในข้อปฏิบัติในตัวข้างเราเองถ้าเราได้เอานํำทำทั้งจิตจักรานี้มาเทียบเทียงกับจิตใจของเราเนี่เราก็จะทราบว่าเรานีกร อ, อยู่ในอุดมกตรณ์ศาสนาไม่น้อยจะเป็นภาพปรกอบ อยู่ในตัวเองกับตอมอยู่ในจัตวาธาในเทศของพระเป็นพระวาามันก็เป็นทั้งนๆลงไปเช่นเดียวกันถ้าต่างคนต่างมุ่งความรัตมามมุ่งเฉ้าะนำหลักความจริงด้วยกันแล้วจ้จะต้องเห็นจิตปลม่ในควาในจิตใจเช่นเดียวกันเพราะกิตเดชไม่โยมพระพาะว่าฤทธะต้องเป็นจิเดชบรรยั่งชั้นที่มีอยู่ในจิตใจของผู้ใดและต้องเป็นไทยเท่ากัน ไม่เลือกเพศไม่เลือกภาพท่านนั้นนะถ้าพผู้ตั้งใจจะพุทธปฏิบัติก็ควรไปเห็นหลักความจริงก็จริงจอมรลอมขึ้นักเที่ยแต่งแล้วพยายามแย้ไขัดแต่งให้เป็นตายต่างพัฒน์กำลังความสามารถของตนเราก็จะพอ ม, มีความมุ่งมุ่นตรงสิดผมา ก, กับลายถือทุกศาสนามาเป็นชาพุทธมีแนวหลักความจริงของศาสนาที่เราพอจะเที่ยวได้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 อภิชตาติอภิจตาก็มหิตาตาลบล้างเสียเนี่ยคือความมากน้อยนั้นก็มีความมากมากลบล้างไปเสียความพอดีก็คือความเลยเถิดเป็นผู้ลบล้างไปเสียภาษาพันิกาไม่ให้ทุกงีก็คือการมัว่วขุมนั่นลบล้างไปเสียพิเยกตาชอบในที่สงัดตัวหาเครื่องบำลุงบำเลิมาคลองเต็มอยู่ภายใน บ้านในเดอนในกุฏิวิหารเต็มไปหมดมันลบล้างกันหรือไม่มนะนั้นวิญญาณผามก็เพียนแต่สิ่งแบบ น, นี้มันไม่เพียนเพื่อแก้กิเลสมันลบล้างกันได้หรือไม่นมันลบล้างกันทั้งนั้นพูดไปโดยลําดับนะ่ะมันก็มีการลบล้างไปโดยลำดับความปลอมนั่นแหละลบล้า ง, งความจริงความจริงไปเรื่อยๆความจริงเราไม่มีถ้ามีก็มีแต่ความจําเลี้ยนตาม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 มันมีอยู่ภายในจิตนี้จึงความน้ําเข้ามาที่นี่ท่านเรียกว่าโอปะนันย์อีโก้ทางธรรมต้องฟังเข้ามาแต่ฟังออกไปข้างนอกคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมันเลยเป็นเครื่องส่งเสริมบีเลตตัวเองเป็นความหยิ่งก่อคนอื่นไปเกลียดโดยไม่เห็นโทษของตัวเองว่าความหยิ่งนั้นคือบีเลตน้ําเข้ามาภายในจิตใจ เราจะได้เห็นทั้งความจริงความปลอมที่มีอยู่ในใจแล้วก็กําจัดปัดเป่ากันในแต่ฐานที่ น, นีเอามันแคห่หมดไปหมดไปไอเรื่องคำคือความจริงนั้นเราไม่ต้องไปถามที่ไหนจริงอยู่แล้วมีอยู่ภายในแต่ถ้าถ้าอยู่วตัวไม่ขึ้นถ้าสิ่งจงอมปลอมทับผมโจมตีกันอยู่ตลอดเวลาก็ดีบตัวออกมาเป็นจริงแน่อนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะเหรอเรื่องความปลอมของศาสนาปลอมทีการของบุคคล ไม่เด็ดปอมอยู่ที่พระพาาุทธเจ้าไม่เด็ดปรอมอยู่ที่สาวนะธรรมแต่มันปอมอยู่ที่จิตใจของชาวพุทธเร า, าเราจะต้องการทราบความจริงความป้อมแล้วก็ค้นคว้าภาในภายในจิตใจของเราที่เทียบกับโอ้นันนะีโกเราเห็นสิ่งใดแล้วก็เทียบเทียงกับตัวของเราได้ยินได้ฟังอะไรก็เทียบเทียงเข้ามาสู่ตัวของเราเพราะมันมีอยู่ที่นี่ด้วยกันเราเก็จะมีทางาาแกง้ไขดัดแปลงให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามดูเสมอเสมอ แล้วก็จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองทันต้นของตนและในขณะเดียวกันเราก็จะถึงความเจริญของศาสนาว่าเจริญที่ใดกันแน่ไม่ใช่เพราะศาสนาไม่ได้เจริญที่สู้ที่หีบที่ควมภีรบราหลสำหรับตลาดแต่มันเจริญอยู่ที่จิตใจของคนเสริมก็เสริมที่นี่การดใดสมัยใดที่ศาสนาเส่ิมจากจิตใจของคนการนั้นสมัยนั้นรุกลุ่มนั้นจะต้องแสดงความเดียรร้อนเป็นผลให้ปรากฏขึ้นมา เพราะความเฉือมของศาสนากับความเจริญของจิเลือสกันหาอวสหขึ้นเป็นเครื่องราวีที่เป็นข้าศึกนั้นมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันการใดที่ศาสนาเจริญภายในจิตใจนี้เกิดในบุคคลผู้ใดกลุ่มใดชาตท่านดรรณะใดท่านเหล่านั้นแหละจะเป็นผู้มีความเจริญรื่นเรองมีความสงบร่มเย็น ศาสนาให้ความสนงกร่มเย็นแจ่คนท่นั้นสิงที่ไม่ให้ความสงบร่มเย็นแจกคนก็ได้แจกพิเดียตที่เรียกว่าเทวทัตซึ่งเป็นผู้ผู้กลับกันกลับธรรมดังที่พระเทวทัตเป็นผู้กลับกับพระพุ้ทธเจ้าสิงจําลองทุกี่เดียตทั้งหลายก็เป็นผู้แข่งเป็นศัตรูกันกันกบธรรมเมื่อธรรมเจริญสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยเสื่อมลงต่ำเมื่อธรรมไม่มีอํานาจเพราะเจ้าข อ, จของไม่สามารถที่จะทําให้เกิดให้มีขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะติดกิเลสขึ้นทําลายธรรมซึ่งีอยู่ภายในจิตใจทั้งตอัอยู่ที่ไหนก็ร้อนในเราไม่ต้องไปถามหันหนโลกอายตีที่ไหนผู้ที่รับดีอยู่ผู้ที่รับสิ่งเอาเคาะร้ายอยู่ตลอดเวลาก็ขีดใจซึ่งเป็นผู้กิดเพราะร้นขึ้นมาภายในจิตใจทั้งตัเราดูที่นี่เราก็สอนเพราะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติองค์การุณาย์ให้เรียนเข้ามาที่นี่ศึกษาเข้ามาที่นี่ เราจะได้หายสงสัยว่าศาสนานั้นรวมอยู่ที่จุดใดซึ่งเป็นจุดสําคัญและเป็นภาชนะสาคัญที่รับรองศาสนาทำไว้ได้โดยสมบูรณ์จุดสถานที่ใดถ้าไม่ใช่จักมีใจนี้เท่านั้นเป็นสำคันกายวาจาที่แสดงออกในทางใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับายซึ่งเป็นตัวบ่งกลารใจรับการอบรมดีแล้วจียามาย า, าคความเป็นทืชของกายวาจา มันจะดีไปด้วยกความเสื่อมของศาสนาไม่ได้เสื่อมที่ทำพิบลัลลังเสื่อมที่จิตใจความเจริญของศาสนาก็าเจริญที่จิตใจของผู้ปฏิบัตของผู้นักศีลศาสนาแล้วความสุขที่ความสงบสุกที่เกิดซึ่งเป็นผลก็เกิดขึ้นที่ใจที่มีธรรมนั่นเอง แลวอเบกีที่แสดงอยู่ในป erm ัจจุบันปัจจุบันก็คือแสดงอยู่ภายในจิตใจซึ่งมีพิเลตเป็นตัวขีดขึ้นมาพิเรตเป็นเครื่องขีดความทุกข์ทุกข์ที่เป็นผลกับกากรดขึ้นมาถ้าฐานที่ใดจิตใดเป็นจิตที่ผิดจุดนั้นก็เป็นจิดที่รุ่มร้อนแล้วเราจะหมายถึงอะไรซึ่งเป็นทูกผิดก็ได้เจตใจทุกข์คิดไม่ติดกรองอยู่ตลอดเวลาติดกรองในทางผึกก็คือวกาิึอาญาพิกขึ้นมาเพ้อรนตัเองถ้าถึกในทางที่ดี ก็เป็นความร่มเย็นเป็นสิทธิ์ี่เป็นทําขึ้นมาแล้วก็ส่งเสริมปิดใจให้รับความสะดวกสมาอยู่ที่ไหนก็สบายทั้งนั้นแหละผู้มีธรรมภายในาะฉะนั้นการลาการสงวนตัวจึงเป็นสิ่งสําคัญการแจ้งหาตัวเองตัวดีการดัดแปลงตนเองตัวดีการสึกทรมานตนเองตัวดีเป็นสิ่งที่เยี่ยมตามหลังนักบากที่ท่านสอนได้กระพุ้เจ้าจะเป็นผู้เยี่ยมในโลกในสงสารให้เราทั้งหลาได้กราบไหว้บูชาเค้าคือ พระองค์เป็นผู้สุขผู้ทรมานพระองค์เลงจนมีชัยชนะอย่างเต็มภูมิในหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าโดชาช่างชาเซ น, นะังงาเมมานิเซจีเนทีกันจาาาาน่าเทมตะลังเสทยขั้นงามมชิตตโมการชนะผู้อื่นนั้นคุณด้วยล้านก็ตามไม่จัดจะเป็นความชนะอันเกิดเลยนอกจากการขอเวียนเท่านั้น ภูมาชนะตนเองคือชนะที่เล็กซึ่งเป็นตัวสาคัญอยู่ภายในตนเองนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นก็เป็นผู้กระเกิดสุดแล้วการชนะจึงไม่มีจุดใดที่จะเป็นจุดกระเสิดยิ่งกว่ า, า, า, าการชนะตนเมื่อการชนะตนเป็นเห็นแล้วเป็นจริงที่กระเสิฐแล้วการทุกข์การทรมานตนก็เป็นเรื่องกระเสร ในหลักธรรมธนาแล้วว่าวิาวเดเยนะทุทคอมะเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ไปได้โดยลําดับลำดับเพราะความเพียรมิชานั้นคือความเพียรในทางที่พ่อตามหลักธรรมที่ทั้นสอนไว้ก็หลุดพ้นทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องของวิเดียไปโดยลํำดับลำดับเราจะหลุดพ้นที่ไหนมันติดขัดที่ไหนก็แก้ที่ติดขัดนั้นก็ผ่านไปได้ทีนั้นก็หลุดพ้นกันจะได้ที่นั้น แล้วมีอะไรติดขัดนอกจากกายขราะนั้นติดขัดตลอดเวมาถึงใ น, นคิดไปภาคผ้าเดินดินที่ไหนก็ตามสิ่งที่ติดขัดนั่นก็ขัดอยู่ที่หัวใจของเราอคิดไปได้เท่าไร้ก็คิดไปได้ได้วยความขัดห้องยุ่งเหยิงภายในจิตใจอยู่นั่นแหละถ้าไม่แก้สิ่งที่ขัดขวางทวงใจนี้ออกเสียได้เมื่อไหร่สิ่งนี้ที่ต้องขัดขวาง น, นี้ตลอดเวละไม่ว่าจะเกิดในภพใดชาติใดคิดไปถึงโลกสงสารจี ท, ทวีตวการ มันก็เป็นไปก็ด้วความขัดขวางตัวเองอย่างนั้นพระอาจารยท่านาจึงสอนให้ครอบน้ำคลึกเลียร์อาศระทิ้งทิ้แนแปในภายจิตใจนี อ, ออกได้ด้วยความเพียรแล้ไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนไม่ถามหาความสุขที่ไหนเมื่อหมดทิตภัยแล้วความสุขก็กากรขึ้นมาเองเลยก็มูดลาะพุทธเจ้าของเราเป็นต้นซึ่งทรงทรมานพระองค์จนสุดความสามารถซึ่งมันมีใครที่จะจะทําได้อย่างพระองค์อื แบบสรมบัตรที่เป็นศาสณะของพวกเราก็คือพระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาแล้วอย่างนั้นศาสนาจริงไม่ใช่ช่วยพอที่จะปอกเอามากินง่ายๆพอมาวําเทนก็พวงเอานี้เอาสินเอาคุณค่าจากการพุทธฏิบัติตั้งทั้งทาน่นาปฏิบัติทุกโทมมตโมทั้งโคไม่ทราบว่าจิตนั้นมนเร่ร่อนไปที่ไหนออกเทวีไหนมันก็ไม่รู้แล้วก็มาพวงเอาคุณงามความดีมานั่งสมาธิเขเป็นเวลานานไม่เห็นปรากฏ ผลอะไรเลยจะปรากฏอะไรก็ไม่หาผลที่ควรจะปรากฏจะไหาผลสิ่งที่ไม่ปรากฏสิ่งที่ไม่ต้องการนั้นก็ได้สิ่งที่ไม่ต้องการเข้ามาครองแล้วกลับเป็นเขาครองหลับมีแต่มังคับปัญชาจิตใจให้ดุ้มร้อนถมมัวอยู่ตลอดอยู่นะนะถ้าดันเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจริงแล้วทำจะไปไหนถ้าไม่ปรากฏขึ้นที่ที่ยู่ก็ ที่เราดําเนินในทางถูกต้องต้องเกิดขึ้นที่นันพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นที่นั่นเวลาบําเพ็ญก็เพ็ญในสิ่ที่ถูกทําที่ถต้องดีงามที่ให้ความสงบร่มเย็นก็ต้องเกิดขึ้นทีหนักพระองค์ได้ถึงสังนักของโลกก็ได้มาด้วยการปฏิบัติกำจัดที่เหลือสาระในพระองค์เองด้วยความออกเป็นเอาตายเข้าไปว่ากันเราจุดเดียงจะลูกคำคร่แล้วจะอามงคลนิพพานที่มาอวดโลกมันอวดไม่ได้นอกจากเอาทีเหลืมาอวดเท่านั้น ทั้งทางก็นั่งคาถาทีแต่และองค์ละองค์ก็เหมือนกันบางบางองค์นั้นฝ่าเท้าแตกเดินจนกลมจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกเราฟังบางองค์ตาแตกเพอาะตาแตกมืดดับทุบลงไปความระหว่างเจ้าพระนางก็ปรากฏผู้ที่เดินจงกลมจนฝ่าเท้าแตกกิเลสก็แตกไปด้วยกัน่นะเราไม่ต้องทําแตก พิเรศไม่ได้แตกก็ด้วยมีแต่ทําแตกเพราะนั่งภาวนาก็คู่หนึ่งทําแตกแล้วออจิตไม่ทราบไปทิศไหนจะดอนใดดานแดนใดทําแตกนะถ้ายังไม่เข้าใจว่าทําแตกก็ควรจะท้าบถือว่าทําแตกแตกยังไงแล้นั่งภาวนาก็เอาแล้ ว, เ อ, ลวเอาเรล่อเวลามาจับกันแล้วเนี่ยนั่งไดือคู่หนึ่งยามหนึ่งก็ไม่ได้เรื่องทั้งทังที่นั่ ง, งนั่นจิตก็ไม่ได้เอาเรื่องกับ ถิ่กับทําเอาแต่เรื่องที่เดียดสันหาใชม่มายุ่งอยู่ภายในจิตใจพอออกมาก็ทวงเอาคุณเอาค่าเอาสมาธิเอาปัญญาอาวิมุตตจากการนั่งอย่างลอยลมนัะเมื่อไม่ปรากฏก็เกิดความน้อยเมื่อต่าใจว่ามีเรามีอำนาจเาชนาน้อยไม่ควรเกี่ยวกัาสนาไม่ควรเกี่ยวกับทำคำสอนของพระพุทพธเจ้าเป็นคนอาภาพนะัพเนาะพอเราสร้างความอาภาพัพเสร็จเราในขณะที่เราคิดอย่างนี้เราก็ไม่ทราบ คือกิเลสถ้าให้สร้างสขาาพับอย่างนี้ให้สร้างความคิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาก็ายิ่งเป็นการทับผมโจมตีตนเองยิ่งให้ให้แหลกเสือพอับอีกยิ่งเป็นความคิดที่ดีแล้วหรอความคิดอย่างนี้ถ้าเราไม่ถ้าเราจะแก้กิเลสเราจะแ ก, ก่ชนิดใดที่เกิดเป็นประเภทใดประเภทที่คิดอย่างนี้เนี่ยคือเรื่องของกิเลสอย่างโดยดีถ้าเราจะคิดให้เป็นหมักทําั่งพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าได้แบกอํานาจวัฒนามาจากที่ไหนถ้าไม่ใช่ได้มาด้วยการฆ่าการอบรมโดยโดยพระองค์เอง ด้วยความภาคเกลียดเราจะสร้างด้ยวยวิธีอะไรด้วยวิธีนั่งจินนอนจีนด้วยความเจียดช้านาง่ายอ่อนแออย่างนั้นหรือนั่นไม่ใช่ทางสร้างธรรมะนอกจากเป็นการสร้างที่เล็ขึ้นภายในหัวใจให้เป็มจนหาที่ไปไม่ได้หนักอึ้งไปด้วยความทุกข์ความทรมานเพราะที่เล็เป็นผู้ผิดขึ้นมามากมาถูกกองยายาภายในจิตใจมีวิธีการทีอุบายปัญญาแก้ที่เล็กแล้วก็แค้ใหญ่ ตามหลักธรรมหาให้ชนะตัวเองแค่ตัวเองกิเลสอยู่ที่ตัวเองนั่งมาได้เรื่องอนั่งจนได้เรื่องทําไมจะไม่ได้เรื่องพระพระพุทธเจ้าท่านนั่งท่านได้เรื่องเลยทางดีล้วนั่งทํามาได้เรื่องเดี๋ยาทางวุ่นวายเพราะเหตุอะไรค้นหาต้นเหตุสาเหตุให้ดี แล้วจะทราบสาเหตุอย่างชัดเจนที่มาที่ใจต่อไปนั่งจะถูกต้องแน่นยำในการประพฤติปฏิบัติในการคิดอ่านใจกลองอะไรทั้งหมดด้วยสติเป็นผู้ควบคุมมีปัญญาเป็นผู้เบิกบุกเบิกทางความเริ่มเย็นเป็นสุขจะกรากฏอดที่มาโดยระดับระดับไม่ต้องไปหาอํานาจรัศนนามาจากไหนจะเกิดขึ้นจากการทำคุณงามความดีโดยถูกต้องตามหลักธรรมของเจ้าสอนนิทํานั้นและจะเป็นเจ้าของสมบัติแห่งศาสนะธรรมคิดรากฏเด่นอยู่ภายนจิตใจ ทำโมปีโป้พาสว่างกระจ่างแจ้งเกิดขึ้นภายในกายเข้าพิเดิดดั บ, บรูปเกินไปหมดด้วยอำนาจของความเพียนนี่หนแหละศาสนาเจริญเจริญที่นี่เนืผู้ทรงศาสนาก็ทรงที่จิตใจอำนาจวาสนามีมากน้อยก็จะทาบที่ใจดวงนั้นโดยไม่ต้องสงสัยว่าวาสนานี้เกิดมาจากไหนก็ามาเกิดขึ้นมาจากความเพียนของผู้ไม่อ่อนแอตรงนั้นท้องขอให้ทุกทุกพันธุ์นำไปที่นี้ที่เกิดม า, าการเจ้าธรรมะนี้เป็นธรทรมะป่าโอเค ขึงำุ่เลนดอนจึงขออภัยจากาผทั้งหลายโดยทั่วกันและขอยกทีเสียงอ